มาวัดตั้งใจมาภาวนาเลยภาวนาในท่านรักษาจิตอย่าเ่นภาวนามหอดตัดหรือมันภาวนาภาวนาบงจักกว่าเสตยังจักเสตย์ถึงได้ภาว น, า, า, น, น, า, นารักษาใจให้มันนิ่งอยู่ก่อนการรักษาใจให้มันนิ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเด้่เป็นความสามารถ ของคนที่มีความคิดดีค้นดีกว่าทรัพย์ประจักษ์ทั้งหลายถือว่ามีหูจักขึ้นขึ้นเป็นคิดนิสิติปัญญามีความคิดแล้วฉลาดนี่นี่ถ้าคิดเรื่อยไปไปซื่อคิดไปเรื่อยแ่้งเต็มยังที่มากประทบมันก็บรดีกว่าทัพประจักษ์ทั้งหลายนี่เท่าหูจักคิดแล้ว ในห้องจกักพัฒนาน้าจิตใจทันจิตใจเฮ้าโบพัฒนาค่ะวอจังงั่วควายวิจังมาเอ็งสิลป์มาเพราะท่านรับการฟื้ฝนอบรมอย่งนี้ได้ประโยชน์ทั้งกระบะใดหรอกแต่ว่ามางั่วควายที่เขาฟึกดีแล้วเขามาเป็นประโยชน์เขามาใชหน้าเอามาแกเขียนหลากเขียนเามาขี้อะไรจังมาอย่างนี้ทานเพท่านฟึกนเหมือน โอ้ยมันใจก็ได้หละอ่เส้นน้อยก็ไา้มาเ น, นี่ก็ได้ก็ประโยชน์หลวบ่มี่คิดใจเฮ้าเนี่ยนี่คือการกับสัตว์แต่ว่าสัำบ่คุ้มลอกุ่มก็ตีเก่งำํำกันกับสัตว์ต่างๆนะมันจะบอบห่มี่ยังสิดีเอามาพบพระพุทธศาสน า, ามาพบนักปราจะเลี้ยวสลาดบอกใีที่ไอสีเอสยังไงก็คิดกับใจเฮ้ามาเห็นแล้ว เาผมพึษษ่งไ ป, ปที่บ้านแถวน่ำรักษาค่วมสงบหนีลราไว้ัะก่อนใจมันเป็นสิ่งที่โมยูโบ้เต้าไ้โคลิ่งนิ่เองมันเต็นไปหันเต็นไปหนียังก้ากัวใจนะใจมันเต็นไปร้ายกว่านั้นอันนี้เทาพึกใจเนี่ยมันพึกใจดีๆแล้วประโยชน์ร้ายแท้ๆเลยกําลังของใจเนี่ยเป็นกําลังที่โบมี่อันใดคือเลยใจนี่มันเป็นสิ่งที่มีกําลัง นีความสามารถพิเศษอยู่ยังตาเฮาจริงสิเดี๋ยวไปสอดแําแพง่งเดี๋ยวบริสอดได้แําแพงใจสอดเนี่ยใจมีสอดไปเมด่ทะลุเมื่อไก่เป็นไดใจก็ะหอดแคบเดียวแต่มนคนข้นวาร็วสีสุดเดียวนี่ขี่เครื่องบินไปยังไซเวลาโดนอยู่ไปอเมริกานี่ไซเวลามันมีสิปุบปุ่มองนะใจมีนแคบเดียวแล้วเน่ยใจเกรงอยู่ มันมีแนวดีๆอยู่ในใจหเอาหันปลคอยทิมไปเรื่อยๆบาทนี่กำหนดกะรักษาจิดใจวิญียาไไ่านี้ไปใช้แล้วเนปัญใจพวกนี้ไปใส้แล้วข่วมดีต่างๆมันเกิดห้อมอยู่นี่แหละฮะเนี่นมันห้อมอยู่นี่แหละใจพวกนี้กำลังไก่ย้อนว่ามันไปพุ่นไปที่เรื่อยกำลังมันเกิดอยู่เกิดทุกขณะนั่นแหละแต่ว่าเกิดแล้วมันเอาไปทิมพุ้นทิมทับเรื่องนั่นทิมกับเรื่อง สารพัดอันเท่าคืดไปนะี่มันเกิดเลยบ่มีแห้งบ่มีกับร่งใจนะี่ที่เอามาเป็นประโยชน์ยัง้งก็เป็นประโยชน์ว่าใดว่าจะให้เท่าตอมเท่าห้อมจะร่วมใจท่านคิดใจให้สงบอยู่นี่อําร่งของใจนะี่เกิดขึ้นมาแล้วโอ้ได้ประโยชน์หลายมีประโยชน์คือจังเท่าสะสมพลังงานรวบรพิมพลังงานไว้นี่แหละทีเอาไปใช้เฮ็ดยั้งก็ได้พลังงาน น, ะนั่นละ่ะ เข้าสิพนทุบพลหยากพนคว่ำเดือดร้อนต่างๆมันเก็ ต, ต้องใส่กาต้องใส่กัลัง่งใส่แห้งใส่กระร่างงานอันนี้แหละสําหรับมากพืดออกเต็นออกเด็เอาใจเต็นออกจากพ่อมยึดมันถือมันต่างๆมันหยาบมันเหนียวมันยึดมาโดนหลก็ต้องใส่กับล่างอันนี้มาดินมาห้อนออกเด็กไม่จังสิออกเพราะฉะนั้นเ้าห้มไว้หลายจะสนใจ นั sea, ่งอยู่จนส่ล่ะคิดว่าโอ้เขานั่งอยู่นี่แล้วนั่งนิ่งนิแล้วใจก็ให้่นิ่งนั่งไวจนสิเด้อเหตุใจนิ่งนิ่งเห็ุใจเฉยเฉยเข้ามาเฉยเยเนี่ยเขาลองคิดดูดูบ่ไปหัวซ่าอันไหนเนี่ยเฉยเยอยู่กับนี่แหละกับตัวเจ้าของนี่แหละนั่งอยู่เฉยเฉยจนีิล่ะใจมันจะดีอยู่หันใจมันอยู่หลบประโยชน์มันหลายดอก ด้วยังไก่นี่ยนะไก่มันไข่ดีแท้ๆไข่แม่เนี่ยแต่เท่าไปให้มันบินหนีไปเรื่อยมันจะไปไข่บางอื่นนะแต่ถ้าออกไปนี้อามันไว้นี่ละไก่ตัวนี้ไปดีๆให้มันอยู่นี่มันกับไข่อยู่นี่แหละไข่น้อยนั่นก็ออกน้อยเนี่ยออกได้ไข่หลายเนียเป็นอย่งนั้นแหละประโยชน์ได้ไล่หลายตัวเขาบอได้ย่างอื่นเนเท่าแนี้คืออยากได้หู้ทิศ ต, ตาทิศใจทิศเนี่ยเนี่ย เนี่มูลนันท์ขไม่เน่าบ่ได้เขาก็ได้กับร่างใจได้กับล่างใจได้ก้มโฮมคก้มเย็นเนี่ยนี่มันได้งอนเดียกที่ล่ะขันใจมีกับล่างเลยมันมันหฮมมันเย็นมันบ่ดินบ่ฮ่อนน่ะนะมันบ่ดินบ่ฮ่อนก็แปลว่ามันบ่ฮอนมันบ่ฮอนมันก็เย็นท่านเนี่ยมันบ่ดินบ่ฮ่อนนี่ยแปลว่ามันอยู่กันใจอยูระโห่ได้ระได้หลาดอกูจักเห็นดอกวโอ้สบายทั่วหฮมเย็นใจทัวเนี่ย มันหูจักขึ้นมาเองอันนี้อมุอ น, นีโบวิทไผ่ไหูดอกเนีนั่งยื่น่องกันมีเสรอแสโลอยู่ยยงสีหละัะเข้าใจสงบฮุ ม, มเย็นโบวิทไผ่ไหูจักน้าดอกนั่งอยู่กันกางโบวิทหจักถ้างลังเถือเขาคุ้ยกันมวนเอ้ยปอกนู่หัวมวนเข้านั่งสงบอยู่นี่เนี่เข้าใจเหตุใดโบวิทไผมาเห็นนะม้าดอกแต่ว่าเข้าได้เลยฮนี่ เนี่ยควบโฮ ม, มควมเย็น่นควมสุขความเบิกบานญาณเริ่ในจิตในใจตัวมันสีหละแน่สิไ ด, ด, ด้ใ น, ในใวัดเนี่ยมันมี่อย่างที่ว้าบ่มีดอกเล็กใบห้วยเบอร์เล็กผ้าหนามอะไรอย่งบวเกง่งพวกเป็นให้เอาเจ้าส่ให้มาเอาบุญอันนี่แหละบุญใหญ่เนี่ยันได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ในจิตในใจหละ่ะโอ้บุญใหญ่แค่อันนีกัน